ก่อนเอื่นที่หลวงพ่อจะแสดงธรรมเดื๋ให้หลวงพ่อแสดงธรรมท่านเจ้าภาพมีท่านอาจารย์พระครูสมุทรสุชินป ร, ริคุณโนและคณะสงฆ์คณะสัทธายาตโยมให้กระผมและธรรมาภาพแสดงธรรมในวันนี้อันับแรก ขณะที่หลวงพ่อตั้งแต่ตั้งณโมตตะพระควะโตไปแล้วนะขอให้สร้างภาพที่มีแฟต์งดในการถ่ายภาพอันนี้หลวงพ่อขอร้องเพราะว่าถ้าว่ามีแฟกต์เข้าตาแล้ว ห, ห, หลวงพ่อพูดไม่ได้เพราะหลวงพ่อไม่เป็นพระป่าพระตรงจริงๆคณะจะทายญาติโยมที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็คงคงจะเคยเห็นหลวงพ่อไม่กี่คนนะ เพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยได้โผล่เข้ามาสู่ชุมชนและสังคมเลยมากจะอยู่ในป่าหลงพงไพ่ซะมากกว่าแต่ขนาด น, นานจะโผล่เข้ามากรุงเทพสักครั้งหนึ่งจากนั้นก็หายและจะอยู่ในต่างจังหวัดเพราะนั้นเวลาสัทายาธิโจมลูกหลานจะถ่ายภาพตั้งแต่ตั้งนโมตัตสะไปแล้วขอให้นัใดในการถ่ายภาพแต่ขณะนี้หลวงพ่อขึ้นมาธรรมา ผู้ใดอยากจะถ่ายหลวงพ่อก็ไม่ว่าในเมื่อเทศจบลงไปแล้วก็ท่านผู้ใดอยากจะถ่ายหลวงพ่อก็ไม่ว่านะถ่ายได้แต่ขณะที่หลวงพ่อกําลังพูดนะขอร้องในการถ่ายภาพนะวันนี้หลวงพ่อเองได้มางานของท่านอาจารย์ชินเพราะหลวงพ่อรู้จักกันดีมาตั้งแต่นมนาน แต่หลวงพ่อไม่เคยมาวัดนี้วัดธรรมสถิตเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยมามาวันนี้เป็นวันวันแรกเป็นครั้งแรกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นวาน่าหลวงพ่อไม่ได้ไปที่ไหนไง่ายๆแต่วันนี้ก็ได้เมื่อท่านอาจารย์ชินนิมนต์หลวงพ่อก็เออชินเนี่ยเคยรู้จักมักคุ้นกันมานานแต่ท่านก็เคยไปวัดหลวงพ่อเราไม่เคยไปวัดท่านเลย พอท่านนิมนต์ขึ้นไปหลวงพ่อก็รับเนี่ยนิมนต์ของท่านในครั้งนี้ท่านก็นิมนต์มานานแล้วแหละหลวงพ่อได้ทราบไปอยู่เสมอหรือว่าทราบมาตลอดเพราะหลวงพ่อเองก็เป็นในชีวประวัติของหลวงพ่อสัทายาญาติโยมก็คงจะอยากจะรู้ว่างพระอาจารย์องค์นี้มาจากไหนท่านบวชมานานเท่าไหร่อย่างนี้นะ หลวงพ่อขอแนะนําประวัติชีวประวัติสังเขปเล็กน้อยเพื่อให้เป็นที่รู้จักหลวงพ่อเองเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารเกิดที่ตีนเขาผูเจ้าก่อวัดหลวงปู่ล่าเอหลวงพ่อเกิดที่ตีนเขาวัดกูเจ้า้อ่อหลวงปู่ล่าจังหวัดมุกดาหารแต่หลวงพ่อเกิดหลังที่หลังของหลวงพ่อเฟื่องบวชนะเออ ท่านพ่อเฟื่องเราบวชในปี2580แต่หลวงพ่อเนี่ยเกิดปี2488่อนะจากนั้นก็หลวงพ่อได้บวชเป็นสมณีนของหลวงปู่ล่าตั้งแต่ปี2500อายุ1ิ12ปีเป็นสมณีนอากท่านก็เมื่อครบการอุปสมบทหลวงพ่อก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาปี08 เมื่อได้บวชแล้วก็ได้อยู่กับองหลวงปู่ล่านะเป็นสามเณรจุ๘ปีจากนั้นก็เป็นพระหนึ่งพรรษาเป็น9ปีจากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ไปจำพรรษาที่วัดหลวงปู่จามบางท่านอาจจะเคยไปวัดหลวงปู่จามวัดป่าห้วยทรายจากนั้นก็ได้ขึ้นไปทางจังหวัดเชียงใหม่ไปจําพรรษากับหลวงปู่แหวนสุจินโนจากนั้นก็ได้ลงมาจำพรรษากับหลวงปู่จาม จากนั้นก็ได้เข้าไปจำบรรษากับองค์หลวงตามหาบัวตั้งแต่ปี2512ถึง2525จากนั้นก็ได้ไปตั้งไปสร้างวัดที่วัดป่านาคำน้อยตั้งแต่ปี2525 25จนถึงบัดนี้แหละอันนี้คือประวัติสังเขปของหลวงพ่อนะ่ะนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อได้มาที่นี่ก็ทราบข่าว ถ้าทำมเป็นพระอยู่กับองค์หลวงตาก็ทราบว่าท่านพ่อลีท่านพ่อเฟื่องนะแต่ท่านพ่อลีนี่ยท่านบรรณาภาพตอนหลวงพ่อเป็นสมณี น, นแต่ท่านพ่อเฟื่องนี่ยท่านบรรณาภาพเมื่อ23ปีที่ผ่านมานี่เองนะแต่ท่านพ่อของเราเนี่ยชีวประวัติหรือเรื่องราวของท่านที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านท่านก็บวชเมื่ออายุ 20ปีท่านได้บวช เ, เพื่อทดแทนพระคุณวิดามันดาของท่านตามประเพณีของชายไทยเมื่อ<ม>อายุครบย20ปีท่านบวชที่วัดโบสถ์บางกระจะท่านได้รับความสุขในการบวชของท่านพอพรรษาที่สองบังเอิญท่านได้ฟังทำมะเทศสนาจากท่านพอ่อลีธรรมทโรวัดอโศกการามประทับใจมาก จากนั้นท่านได้ออกธุดงกับท่านพ่อลีไปทางเขาวงกดเขตต่อแดนระหว่างจันทบุรีและยองเมื่อท่านได้ออกธุดงแล้วท่านมั่นใจที่จะอยู่ในเพศบัพชิตคือท่านจะคงจะอยู่ได้ต่อไปจึงได้ขอยติเป็นพระธรรมยุทธในเดือนพฤษภาคม 2480สรอดสิบที่วัดจันทรารามจากนั้นท่านได้ออกทุรงไปกับท่านหลวงปู่เจ๊จันโดนะอพอได้บวชมาแล้วไม่นานท่านก็ได้ออกทุรงที่นีเ่เพราะว่าท่านก็คงจะทราบว่าอาจารย์ท่านพ่อรีนี่คือใครท่านพ่อรีก็คงจะแนะนำว่าอาจารย์ของเราคือท่านอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่น ท่านพอรีก็คงจะแนะนำอย่างนั้นจากนั้นท่านก็อยากจะไปเห็นอาจารย์ของอาจารย์ท่านอีกจริงท่านได้ชวนหลวงปู่เจ๊จันโดโดที่เป็นพระหนุ่มด้วยกันได้เดินทางจากจันทบุรีขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ในประวัติของท่านก็น่านึกขำๆเหมือนกันนะพอคนทางภาคกลางหรือภาคตะวันออกไม่เคยเจอหนาวกันเ้ พอขึ้นไปเจอหนาวเพราะลุงพ่อเองก็เคยไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่ว่าเนี่ยวัดดอยเม่ฝังวัดหลวงปู่แหวนก็คืออำเภอพร้าวนี่เองหนาวมากน่ะหน้าหนาวนะแต่นี้ก็ลุงปู่เจ้กับหลุงปู่เอท่านพอ่อเฟื่องของเราก็ขึ้นไปพอไปกับคืนแรกก็ไปเจอหนาวห้าหงเผาผมก็คงจะไม่พร้อมเล ย, ยุคสมัยนั้นออท่านก็พอกลางคืนเข้ามาท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้ว อตอนเช้ามาท่านก็เดินมาหาท่านพ่อเฟื่องนะลงท่านหลวงปู่เจีย้ยนะพูอว่าเฟื่องเอ้ยเราคงอยู่ไม่ไหวและวกลับดีกว่าว่าหนาวเหลือเกินฮะแปลว่าถอยแล้วว่างั้นเถอะกินเข้าถ้าเปรถก็เข้าเกียร์ถอยแล้วไม่สู้แล้วว่างั้นเถอะจากนั้นท่านก็เอท่านพ่อเฟื่องไม่พูดอะไรเออท่านคงจะหนักแน่นพอตอนเช้ามาหลวงปู่มั่นก็เลย บอกขึ้นมา ล, ลอยๆเลยบอกว่าเอ้ยพระมาจากใกล้ทหลงทะเลเนี่ยหล่อแหลออ่อนแอไม่เข้มแข็งเออจะกลับก็กลับนะเออจะไปไหนก็ไปที่นี่ไม่ได้นิมนต์มานะ เ, เพียงแค่นั้นแหละหลวงปูเ่เจ๊กับท่านพ่อของเราเนี่ก็เป็นผู้ตั้งใจมุ่งมั่นอยู่แล้วท่านก็เลยสู้อย่างสุดๆเลยท่านเนี่ยท่านก็เลยอยู่อง์หลวงปู่มั่น แล้วก็เที่ยวทุ่งงทางภาคเหนืออยู่หลายปีเอ่จึงได้ลงมาทางทางภาคกลางจากนั้นก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่วัดขึ้นไปกราบองค์หลวงปู่มั่นที่บ้านมองผือนาในาเอนี่แหละหลวงพ่อได้อ่านกติธรรมของท่านพ่อเอแต่ท่าน ก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ต, อต่อโลกอย่างมากเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะนั้นหลวงปู่ท่านอายุของท่านเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปอายุท่าน71ปีส0บวันพรรษาท่านได้49พรรษาท่าน4ี่สพรรษาอายุ71ปี สิบวันเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ทางภาคตะวันออกที่ครูบาอาจารย์และคณะสัทธาญาติโยมรู้จักทั้งในและต่างประเทศนี่แหละหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาชีว่าประวัติของ อ, องค์ท่านเอาตอนนี้ไปที่นี่หลวงพ่อจะได้เข้าเริ่มพิ ธ, ธีและหน้าที่นี้นะตั้งใจฟัง นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมัง คารมุตตะมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันรวมญาติหรือรวมคณะศรัทธาญาติโยมเป็นวันครบรอบวันบรรณภาพท่านพ่อเฟื่องของพวกเราเป็นปีที่ยี่สิบสามเป็นที่เวียนครบรอบคณะศรัทธาญาติโยม พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระมากมายได้หลั่งไหลเข้ามาประชุมณสถานที่แห่งนี้และก็พร้อมกันก็ท่านเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์ชินที่ครูบาอาจารย์สหธรรมิกหมู่พวกเพื่อนทั้งเป็นปูนเถระอนุเรถระตือปูนน้องๆก็รู้จักกันดี เมื่อท่านนิมนต์มาก็ได้มาร่วมในงานในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เมื่อ23ปีให้หลังเป็นวันที่พวกเราสลดสังเวชใจทุกใจที่ท่านพ่อของพวกเราได้จากไปแต่ว่าเมื่อท่านจากไปแล้วพวกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไง มีแต่แสดงความกระตันอยู่กระตะเวที่ตาต่อพระคุณของท่านเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เมตตาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารวะแต่รับความอบอุ่นทางจิตใจในการเป็นอยู่ทุกอย่างเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มาในวันนี้ก็เพื่อเป็นการบาเพ็ญกุศล ถวายกุศลในองค์ท่านถึงท่านจะร่วงรับดับขันไปเข้าจุดตินิรพานเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราที่อยู่เบื้องหลังก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูคือรู้พระคุณของท่านที่ท่านได้ทำไว้เพราะนั้นคณะสัาญญาตยาธิโยมทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้อย่างที่หลวงปู่ท่อนท่านได้พูดไว้เบื้องต้นว่าการฟังธรรม ให้ตั้งอกตั้งใจฟังอันนี้คือสาคัญถ้าว่าพวกเราไม่ตั้งใจฟังฟังด้วยสักแต่ว่าฟังเฉยๆบางท่านบางคนก็ฟังแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยอันนี้ถึงจะฟังยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังที่แท้จริงการฟังธรรมสุดตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังคนเราถ้าหากว่าไม่ไดี ยินได้ฟังจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมานั้นยากเว้นเสียแต่สยามภูอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านค้นคว้าอยู่หกปีถึงขนาดนั้นทออ็อกกอเถอท่านก็ยังได้ปไปศึกษากับดาบทั้งสองเพื่อเป็นแนวทางของท่านถึงจะเป็นทางผิดทางถูกยังไงก็ยังเป็นแนวทางของท่านที่ท่านไปศึกษากับท่านดาบทีไ่ไปศึกษาได้ยินได้ฟัง จากท่านดาบททั้งสองนั้นอันนี้พวกเราเป็นสาวกะแปลว่าผู้ส ด, ดับจําจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นท่านจึงวางไว้ว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังข้อที่สองกินตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาการไขควรทบทวน สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นให้ละเอียดถีท้วนขึ้นถ้าว่าพวกเราได้ยินได้ฟังผ่านหูไปเฉยเฉก็ไม่ลึกซึง้งไม่เข้าใจในรายละเอียดเพราะนั้นจึงว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุผลอย่างไรอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนา ทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนจากนั้นจิตเมื่อถอนออกจากความเป็นหนึ่งแล้วนำมาไข้ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้คือเป็นทางในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ส่วนอื่นนั้นทาิชาทางโงกที่พวกเราได้เรียนได้ศึกษานั้นมีอยู่สองคือสุตตะมายปัญญากับกินตามายปัญญาส่วนภาวนามายปัญญานี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนา ที่จะเอารายละเอียดถอนลากถอนโคลของกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจนี้ต้องทําจิตใจให้สงบต้องผ่านความสงบจิตใจให้เป็นหนึ่งก่อนแล้วจึงจะเห็นจึงจะพิจารณาไตรทองอถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของพวกเราได้เพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ท่าน เน้นอีกว่าอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมอีกห้าอย่าง 1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทํทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสอันนี้คืออา น, นิสงส์แห่งการ ฟังธรรมถ้าว่าพวกเราตั้งใจฟังพวกเราจะได้รับอานิสง์ในการฟังในเมื่อได้ยินครูบาอาจารย์ท่านองค์หนึ่งท่านพูดไปอย่างหนวปู่ท่อนได้พูดไปเทศนาว่าการไปแต่พวกเรายังเครือบแคลงสงสัยอยู่จุดใดจุดหนึ่งท่านหลวงพ่ออินขึ้นมาอธิบายในจุดนั้นพวกเราก็จะได้เข้าใจชัดขึ้น อ, อนี่แหละอันนี้คืออาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนจึงจะเข้าใจได้ เพราะธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมากมาย 84% ดหมี่พันพระธรรมขันธ์พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าแป่นสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านไม่ได้มอบให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งท่านองค์ใดองค์หนึ่งคณะใดคณะหนึ่งท่านมอบให้แก่พุทธบริษัทสี่ของพระองค์ท่านผู้ใดเกี่ยวกับพอรู้เรื่องธรรมะ จะนำทำคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่มาขายายผลแนะนําสั่งสอนคู่คนออก็ได้อย่างในครั้งพุทธกาลทั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่แล้วก็พระสาวกทั้งหลายก็มากมายแต่สําหรับคารวะผู้ได้สําเร็จพระโสดาพระสกทาคาอนาคาท่านก็นยังนํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนําสั่งสอน ผู้ที่มาใกล้ชิดของท่านคือแนะนําอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านก็เป็นธรรมะกระถึกหรือว่าเป็นผู้ชี้นาชี้แนะให้แก่ชาวชุมชนได้ยินได้ฟังนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจา้าไม่ได้มอบหมายและมอบฝังมอบหมายให้แก่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่กับพระเท่านั้นจึงจะพูดได้พวกเราก็พร้อมที่จะนํำประกาศเผยแผ่เมื่อเราเรียนกอไก่ได้ เราก็พร้อมที่จะนํากอไก่ไปสอนให้แก่พวกน้องๆฟังเขียนกอไก่เขียนอย่างนี้นะอ mm hmm. ถ้าจะอ่านเป็นกานะเขียนยังไงยกาที่มันบินท้องฟ้ากาสีดำเราเขียนยังไงกอไก่ใส่สระอาเข้าไปสระอา mm hmm. เขียนอย่างนี้นะอ mm hmm. แต่ทีนี้พวกน้องๆทั้งหลายก็ยังไม่มากไม่รู้มากก็เพียงแต่ว่ากาตัวเดียว ก, ก็เป็นที่รู้รกัน นี่ก็เหมือนการทรมะธยมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย8 4ดี่พันพระธรรมมะันล้วนแล้วแต่ขั้นผู้ใดจะหยิบยกจุดไหนตรงไหนมาขยายผลมาเผยแผ่มาประกาศหรือมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้เขาอกเข้าใจในจุดนั้นๆในเรื่องนั้นๆในหลักงของพทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วไม่มากต้นตอนหรือหลักจริง สำหรับพระวานจ่าโยมก็คือทานศีลภาวนาแต่สำหรับพระก็กคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือทาไม เ, เหลื่อมล้ำกันหน่อยหนึ่งคือพระนี่ฝ่ายพระนี่ท่านบวชเข้ามาท่านตัดทิ้งทั้งหมดแล้วไม่มีการสะแสวงหาทรัพย์อย่างอื่นอีกแล้วมีแต่เป็นผู้ขอพิกขุภิกษุแปลว่าผู้ขอ บินทบาทฉันจากพี่น้องสัทายาญาติโยมแต่คณะสัตยาญาติโยมยังทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนทำมาค้าขายอันนั้นท่านสอนให้มีทานและก็มีศีลมีภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ท่านให้มั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าเป็นพระสงฆ์เนี่ยมเมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านตัดลกวั้นท่านเสียสละทุกอย่างไม่มีอีกแล้วมีแต่บริขารแปดของท่านแต่ถ้าว่าได้มาโดยเป็นธรรม ท่านก็นช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่างโรงพยาบาลอะไรอันนั้นด้ยวยความเมตตาที่มันมีมาโดยเป็นธรรมแต่บางท่านบางองค์ท่านไม่ได้มาท่านไม่มีอย่างนี้ก็ท่านเสียสละแล้วอันนั้นก็คือเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่น่าตําหนิและไม่ควรตําหนิท่านเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านเป็นผู้เสียสละแล้วท่านทานหมดแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ ในการสะ่ะแสวงหาทรัพย์เครื่องเลี้ยงชีพอีกแล้วมีแต่ท่านบินทบาทพอประทางชีวิตจากนั้นท่านก็บําเพ็ญทางจิตภาวนาของท่านเดินปัญญาของท่านจนถึงความหลุดพ้นตามแนวแถวพุทธพระพุทธองค์ที่พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําพระสงค์อย่างไรแต่สําหรับฆรวาวาสญาติโยมท่านให้ให้ทานอย่างลบปูท่อนที่ท่านได้พูดคือทานะคือให้ทาน ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานพระพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านตรัสไปว่าคนเราถ้าหากว่าไม่มีการเสียสละใครๆก็อยู่กับพวกเราไม่ได้พ่อแม่ลูกสามีภรรยาญาติติโกโหติกาศศษาอย่างหมูหมากาไก่อยู่กับเราไม่ได้เพราะเราไม่มีการเสียสละเพราะนั้นการเสียสละในทานะคำนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย จะต้องคิดไตรตรองด้วยดีเราควรจะทํำยังไงจึงจะพอเหมาะ พ, พอดีคือไม่ให้มันหนักจนเกินไปแล้วก็ไม่มีการเสียสละไม่มีการแบ่งปันให้ใครเส่นเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเป็นผู้เสียสละอย่างพ่อแม่ก็เสียสละให้แ ก, ลก่ลูกๆอจ่อว่าเป็นบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน แต่พวกเราเมื่อได้รับอุปการะจากพ่อแม่แล้วเราก็ต้องแสดงความรกระตันอยู่กตวีที่ตาคือทดแทนหรือตอบแทนพระปูนของท่านคือให้ให้ทานแทนให้ทานแทนคืนแก่ท่านนะอันนี้แหละคือทานะอย่างหลวงพ่อกำลังพูดอยู่นี่หลวงพ่อก็ให้ทำเป็นทานมีแนวความคิดเห็นอย่างไรตัวของหลวงพ่อเองได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาอย่างไรได้ภาวนามาอย่างไง อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าหลวงพ่อบวชมาแต่เป็นสมณีน อ, อายุ 11-12 ปีจนถึงขนาดนี้หลวงพ่ออายุ65ปีหลวงพ่ออายุ65ปีฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา อ, อายุ 11-12 ปีถึง5ถึง65ปีให้คณะสัทธาญาติโยมนับนิ้วมือดูก็แล้วกันเพราะนั้นหลวงพ่อก็ต้องมีความรู้ เรื่องว่าประสบการณ์มาอย่างไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกจะได้นําคําประสบการณ์ที่ว่าได้เรียนได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากตำหนักตำรางหรือประสบประการด้วยตนเองมาประกาศและมาเผยแผ่มาแนะนําปวงพี่น้องประชาชนให้รับผู้รับทราบและจากนั้นก็เมื่อได้ได้ยนได้ฟังแล้วก็ให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตองด้วยเหตุและผลธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านบอก จัดเอาไว้ในหลักธรรมคำสังสอนพูดออกไปแล้วไม่ให้เชื่อนะพูดอย่างนั้นได้หลวงพ่อพูดออกไป น, นี้ก็ไม่ให้เชื่อแต่ให้ฟังให้ให้ฟังให้พิจารณาไตรายตองในเหตุผลว่าหลวงพ่อพูดไปนี่ถูกไหมเนี่ยในครั้งพุทธเจ้าพระองค์เทศอบรมพระสงฆ์เมื่อท่านพูดจบลงไปแล้วท่านบอกกับสารีบุตรว่าสารีบุตร ที่เราตถาคตพูดไปเนี่ยตรัสไปเนี่ยแนะนําไปเนี่ยท่านเชื่อไหมภาษาเลบุตรยังกล้าปฏิเสธต่อพระพักผู้พุทธองค์บอกอย่างพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังไม่เชื่อเพราะว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนในเมื่อปฏิบัติ ด, ดูแล้วข้าพระองค์จึงจะมากราบทูนพระองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่า พระพุทธเจ้าท่านพูดออกไปแล้วท่านไม่ให้เชื่ออย่างภาษาริบุตรกูเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพูดออกมาอะไรเชื่อทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธองค์ตรัสออกไปแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติดูก่อนในเมื่อปฏิบัติดูแล้วเห็นผลแ่เป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนจึงยอมรับในธรรมคําสั่งสอนนั้นเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญา ใช้ให้การพิจารณาไตรตองเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นว่าฉุดตมยปัญญากินตามมยะปัญญานี่แหละคือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นเรื่องออสําหรับฆราวาสญาติโยมอย่างที่หลวงพ่อเบื้องต้นก็คือทานการเสียสละ เ, เรียกว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ธรรมทานวิทยาทานการให้วิชาความรู้แก่ผู้คนอย่างครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือว่าพ่อค้าวานิชแนะนําสั่งสอนคู่คนการทํามาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตทำอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นวิทยาทานแล้วก็ให้อามิสทานข้าวน้ําโภชนาอาหารพวกเราเหนือกว่ามีอันจะอยู่อันจะกินเขาเทุกยากลําบาก เ, เขาพิกงพิการอย่างนี้หรือช่วยเหลือโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการ ต่างๆอย่างเนี้ยการล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละถ้าว่ามนุษย์ของเราอยู่ด้วยการไม่มีการเสียสละแรงน้ําใจไม่มีน้ําใจไม่มีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันลําบากพูดอย่างกันได้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบรลมเย็นเป็นสุขไม่ได้ใครๆก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นไม่เห็นแก่ใครเพราะฉะนั้นธรรมะทำคำตั้สอนของผู้ใจจังว่าทานคํานี้ เป็นน้ำเชื่อมหรือว่าเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีฐานนะคือการเสียสละต่อกันอันนี้มาพูดเรื่องศีลเถึงทานศีลสำหรับครวาสศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลศีล ส, สำหรับครวาสศีลห้าศีลแปดเพียงพอสำหรับครวาดถ้ามากเกินกว่านั้น ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพียง5ข้อนี้ก็ปิดอบายภูมิแล้วไม่ตกนรกแล้วถ้าผู้ใดมีศีลห้าเพราะว่าตัดต้นตอกิเลสตัดต้นตอบาปอกุศลตัวใหญ่ๆหนักๆออกแล้วยังเหลือแต่ตัวเบาบางไม่หนักพร้อมที่จะปิดไม่เกิดผู้รักษาศีลหาบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ตกต่ำ ไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไม่เป็นเปรตไม่ตกนรกอย่างน้อยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านว่างั้นนะเพราะฉะนั้นสินห้าข้อเนี่ยที่พวกเรารักษาอย่างที่เบื้องต้นพอเห็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาพวกเราก็อาราธนาศินไมยางพันเตตีสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะพอเห็นพระสงฆ์ขึ้นมาก็รัสมท า, านศินแหละพระสงฆ์ก็ครูบาอาจารย์ขึ้นมาท่านก็ให้ศิลน่ย แต่โดยมากท่านก็ไม่ได้อธิบายในรายละเอียดว่าศีล น, นี่มีคุณค่าอย่างไงศีล น, นี่มีประโยชน์อย่างไรศีล น, นี้เมื่อรักษาไปแล้วแล้วจะรักษาอย่างไงใครเป็นสมควรที่จะรักษาศีลแต่โดยมากเดี๋ยวนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตสังเกตดูโดยมากคนจะบอกว่าศีลสําหรับศีลห้าเนี่ยผู้เข้าวัดเข้าวารักษาศีลคือผู้สูงอายุมีอายุมากๆเท่า น, นั้นแหะจึงจะรักษาศีล คนน้อยคนหนุ่มอย่างพวกเราจะรักษาศีลจะไปทันโลกเขาได้ยังไงเราจะอยู่กินยังไงโดยมากจะคิดลักษณะอย่างนั้นก็เลยศีลเลยเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่คนปวดระหว่างคนไม่มีงานมีการทำํำคนปวดกเกษียณแล้วอยากนั่นก็โยนให้พระอีกพระอยู่ในวัดเท่านั้นเป็นผู้รักษาศีลสําหรับพวกเราทํามาค้าขายเราจะรักษาศีลได้อย่างไรอันนี้ในลักษณะอย่างนั้นวฉะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังว่า ศีล น, นี่มีคุณค่าอย่างไรสมควรแก่ใครจะเป็นผู้รักษานะอันดับแรกพระสงฆ์ท่านกว่านะโมตัสสะปะคะวะตวนะโมตัสสะในพวกเราก็ยังแปลไม่ออกว่านะโมนั่นคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรตามไม่จริงนะโมตัสสะปะคะวะตัวราโตสัมมาสัมพุทธสัพพูดกล่าวถึงสามครั้งข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดถึงสามครั้ง จากนั้นก็พุธทธังทำมังสังขงังสารานาคัชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึง่งดูติยามปีพุทธังทำมังสังขงังตาติยามปีพุทธังทำมังสังขังสรานาคัชามิยืนยันถึงสามครั้งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึง่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลนะกล่าวเป็นองค์ศีลทําไมเราจึงกล่าวณโมะ เพราะว่าศีลของพระพุทธเจ้าศีลห้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นแนวความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นทูปเป็นผู้วางรากฐานให้แก่พวกเราได้รักษาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรักษาศีลห้าเราก็ต้องนอบน้อมต้นต่อด้วยต้นความคิดต้นบัญญัติคือพระพุทธเจ้าก่อนนอบน้อมน้โมตสระจากนั้นพุทธัง ทำมังคือคือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสังขังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านําพระธรรมคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ถ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระธรรมถ้าว่าพระธรรมพระสงฆ์ไม่นาพระธรรมมาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้แก่พวกเราพวกเราก็คงจะไม่รู้ว่าพระธรรมคําสั่งสอนนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร เพราะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเรามีประโยชน์มีคุณค่าสําหรับพวกเราเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปัทังสมาติยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะาการฆ่ากัน คำว่าสัตว์คำนี้มีเป็นทั้งมนุษย์ปีทั้งสัตว์ทีไรฉันเนี่ยเาว่าฆ่ากันคือฆ่าถ้าว่าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาระฆนาญาติของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเราเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าทุกคนทุกวิญญาณทุกตัวบุคคลทุกตัวสัตว์ท่านว่าอย่าฆ่ากันนะ ถ้าฆ่ากันและหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้คนนี้ไปอยากจะฆ่าคนนั้นเมื่อเขาเมื่อเราถูกฆ่าแล้วก็คิดแก้แค้นกลับคืนไปอีกฆ่ากันไปฆ่ากันมาโลกทั้งโลกจะหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันนี่แหละเพราะพระเจ้าเป็นธรรมถึงขนาดนั้นแหละคือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีอย่าขโมยของคนอื่นเขานะ ขโมยกันเป็นไม่ใช่ของดีขโมยรถขโมยสิ่งของขโมยเงินคำทรัพย์สมบัติผลที่สุดขโมยพ่อแม่ลูกเมียของเขามาเรียกค่าไทยอย่างนี้ขเขามาเรียกขโมยพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไทยอย่างนี้แล้วมีเรามีความรู้สึกอย่างไรในการกระทําของเขานั้นทุกคนก็เป็นทุกเพราะเหตุใดเพราะว่าการขโมยกันไม่เป็นพ้นดีจะทําให้ชุมชนและสังคมเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ อันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกามีสุมิจฉาราวระมณีสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็รักสังขวนห่วงแหนของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจแต่ถ้าว่าขอกันตามประเพณีตามโลกสมมติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะโลกทั้งโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้มาแต่ดึกดาบัน เพราะนั้นแต่ถ้าว่าเราไปล่วงล้ำอฏิปไตยของเขาไปขู่เข็นบังคับเขาอย่างนี้เขาก็เดือดร้อนถ้าเขามากระทําให้แก่เราเราก็หาว่าเขาเหยียบย่าทําลายแล้วเขาเหยียดหยามเราอย่างหนักเพราะฉะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าใจเขาใจเราอ่อันนี้คือศีลข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามาณีอย่าไปโกหกคนอื่นเขานะอย่าไปต้มตุ๋นหลอกลวงเขานะ ถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราเราก็เสียใจยถ้าเขาเราไปต้มตุนหลอกลวงเขาข้อก็เช่นเดียวกันการต้มตุนหลอกลวงหลวงพ่อว่ามีหลายระดับหลวงพ่อเคยพูดเอหลายครั้งครั้งต่หลายหนอย่างเศรษฐีอย่างนี้ยคนมีอันจะกินอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินในธ น, นาคารก็เขียนเช็คให้เขาคนอื่นเขาเพื่อค้าประกันทั้งที่ตัวเองก็รู้รว่าเงินไม่ไม่มีในบัญชีเพื่อได้เขียนประทังเอาไว้เพื่อจะได้ตัวเองจะได้หลบหนีฮ อันนี้เป็นตระกูลของโกหกทางนั้นอ่าอันนี้คือเศรษฐีโกหกนี่คนทุกคนจนโกหกก็โกหกอีกแบบหนึ่งแต่เศรษฐีโกหกนี่โกหกอีกแบบหนึ่งคำว่าอันนี้ก็คือตระกูลโกหกเหมือนกันการโกหกพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้แล้วท่านบอกว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่ ร, รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีไอ้คำนี้ให้พวกเราดูซิศึกษาดูนะ จริงหมที่พระพุทธ เ, เจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วท่านบอกว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราหรือหรือหรื อ, ร อ, ร อ, รอเมลัยหรือของที่มึนเมาอย่างคัญชายาฟินเฮโรอีน เอเดี๋ยวนี้มีมากมายโคโคเคนอะไรมีเยอะพอโลกทุกวันนี้มันกว้างขวางแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินมากมายเอคือสรุปแล้วก็คือเมื่อเสพหรือดื่มเข้าไปแล้วทำให้สมองปั่นป่วนผิดปกติขาดการยับยัง้งขาดสติในเมื่อขาดสติเงื่อคนดื่มสุราคนขาดสติแล้วพระพุทธเจ้าทาวาคนขาดสติทำความชั่วด้ทุกอย่างเมื่อขาดสติ เออมันยับยั้งมาอยู่คนขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าใครก็ได้อธินาทานขโมยของใครก็ได้มุสาไอ้ข้อที่สามกาเมซุมิจสาจันตาลาบระลวงสามีภรรยาของใครก็ได้พราคนขาดสติข้อที่สี่เออโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะนั้นสินห้าข้อของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติให้แก่พวกเรา อุบาสิากาเนี้สรุปแล้วก็คือสมควรให้แก่ใครเป็นผู้รักษาถามฤยเทสิสมสมควรให้แก่ใครเป็นผู้รักษาสินห้านั้นพระใช่ไหมพระเป็นผู้ให้สินใช่ไหมรักษาหรือคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุใช่ไหมสมควรที่รักษาหลวงพ่อสรุปลงมาได้ว่าถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามรู้เดียงสาเพราะวะ่าจะเป็นเด็กก็ตามรู้ ในการกระทําของตนเองนะสมควรอย่างยิ่งทุกคนจะต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนสังคมประเทศชาติตัวโลกสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้องมีสินห้าเพราะสินห้านเป็นสินคุ้มครองโลกทําให้โลกสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะต้องคนต้องเป็นผู้มีสิลถ้าว่าขาดสินเมื่อไหร่เมื่อนั้นโลกเดือดร้อ น, ว, นวุ่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นสินของพระพุทธเจ้า เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วศีลคือกฎหมายกฎหมายคือเป็นที่พวกเรารักษาหรือคุ้มครองโลกหรือคุ้มครองประเทศอย่างกฎหมายและจะรรมโนนอย่างนี้ที่บัญญัติขึ้นมาแล้วจะให้ใครเป็นผู้รักษากฎหมายพวกที่เรียนกฎหมายนิติศาสตร์มาใช่ไหมที่ภากษาอายการตำรวจใช่ไหมสมควรที่จะรักษากฎหมาย พวกเราไม่ได้เรียนกฎหมายพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นจะต้องเคารพกฎกฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ถึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทั้งว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งคนในชาติต้องเคารพกฎหมายถ้ามีกฎหมายคุ้มครองแล้วกฎหมายคือเป็นของกลางคือหลักเหตุผลที่บัญญัติขึ้นมาแล้วทุกคนต้องเคารพศีลธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศินออกมาแล้ว ให้แก่พุทธบบริษัทสี่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแล้วว่าศีลและธรรมหรือศีลห้าของ พ, พระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกอย่างมากพวกเราได้พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพวกเราเห็นด้วยว่าศีลและธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรารู้แล้วว่าศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาศีล สินห้าถึงจะไม่ได้ครบทั้งหมดก็ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้ อ, อ, อแต่ข้อที่มันยากเราก็งดไว้ซะก่อนแต่ก็แต่ก็จะพยายาบจะรักษาสินให้ครบบริบูรณ์เพราะสินของพระพุทธเจ้าที่ได้ฟังมาแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกจริงๆท่านโลกทั้งโล ก, าโลกขาดจินธรรมแล้วหาความสงบพรม่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างที่ได้ยินได้ศึกษามาเพราะนั้นข้าพเจ้าคนหนึ่ง จะเป็นผู้รักษาศีลถึงใครจะไม่รักษาก็ตามข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษานี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายนับหนึ่งจากข้าพเจ้านะนับหนึ่งจากข้าพเจ้าคนหนึ่งกคนที่สองก็นับหนึ่งจากข้าพเจ้าต่อไปก็1นบวกหึงเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ก็ไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวกับมากเองเถอะนะเฉพาะต่างคนก็ต่างเห็นคุณค่าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมแล้วคนในวัดเท่านั้นแหะคนแก่เท่านั้นละ่ะ สมควรจะรักษาสินพวกเราไม่ได้เข้าไปไม่ได้ศึกษาไม่ได้อดูอย่างนี้จะไปรักษาศินได้ยังไงต่างคนต่างคิดอย่างนั้นโลกปุ้นบายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทของพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ศึกษาอันนี้คือทานสินส่วนภาวนานั้นหลวงพ่อหลวงปู่ท่อนที่ท่านได้พูดไปแล้วว่า การภาวนาธรรมอย่างไงที่พระพุทธเจ้าที่ท่านออกบวชนั้นทําไมท่านจึงออกบวชทั้งที่ท่านก็มีความสุขในการเป็นพระวาสของพระ อ, องค์ท่านเมื่อประสูติเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นเด็กต่อมาแล้วก็เป็นหนุ่มต่อมาแล้วก็ได้แต่งงานเข้าม ง, งคลสมรสเมื่ออายุสิบหกปีจากนั้นพระบิดาก็เห็นความเหมาะสม ก็ยก ร, ราชสมบัติให้พระองค์ก็ได้ครองราชแต่ยังน้อยหนุนจนถึงอายุ29่สเก้าปีวันที่พุทธองค์จะทรงออกบวชนั้นท่านก็ได้พระราชโอรสประสูตรกับนางพิมพายโสธราเป็นพระราหุนจากนั้นก่อนนั้นก่อนหน้านั้นพระองค์ก็คิดอยู่ในใจเสมอเมื่อได้ครองราชขึ้นมาแล้วปู่ย่าตายายของเราไปไหน ปู่ทวดของเราไปไหนทำไมไม่เห็นสืบสอบด้วยแล้วก็คือตายคนเราเกิดมาแล้วตายอายุไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างจากไ ป, ห า, ไปหายไปหายไปหายไปแต่ใ้พระพุทธองค์ก็มาถามโยมมันดาพระมันดาของพระองค์อีกนางสิริมหามายาไปไหนตายแต่ในพระองค์ก็เอจะทำยังไงจึงจะไม่ตาย เอ่จุดนี้แหละจุดนี้แหละจุดที่พระพุทธองค์จะได้หนีออกไปบวชนะถ้าว่าพระพุทธองค์อยู่ตามลำพังอยู่ในเวียงในวังก็ไม่สามารถที่จะค้นคิดหาวิชาตรงนี้ะที่ว่าจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายเนี่ยเราคงจะไม่มีความคงจะไม่พร้อมที่จะคิดในจุดนั้นได้เพราะภาระธุรกิจธุระของพระองค์มีมากมายการปกครองบ้านเมือง ในเวียงในวังก็อีกอย่างหนึ่งปกครองประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งการทํามาค้าขายของปากท้องของพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งพระองค์ไม่มีโอกาสที่จะค้นคิดหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะศึกษาในรายละเอียดว่าจะแก้ไขยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้อีกแต่พระองค์รู้แก่ใจพระองค์เห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตาย ต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็เห็นสมะณะคือสัมะณะก็คือนักบวชท่านนั่งอยู่โคลนต้นไม้ตามลําพังนั่งสงบนิ่งขัดสมาธิทํากายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอยู่ที่โคลนต้นไม้ชิตตะมองเห็นแล้วเอออันนี้เป็นจะเป็นหนทางเพราะเหตุไรเพราะว่าเราอยู่ในเวียงวังเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะค้นคิด ที่จะสะแสวงหาทางพ้นทุกได้แต่ถ้าว่าเรามาคิดตามลำพังอยู่ตามลำพังอย่างนี้มีโอกาสที่จะพ้นคิดได้นี่แหละก็เหมือนกับ น, นักฟิทิาศาสตร์หรือ ว, ว่านักค้นคว้าต่างๆเขาจะต้องมุมหามุมสงบของเขาในที่วุ่นวายแล้วเขาคงจะหาไม่เจอเหมือนกันอันนี้พระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยไม่ได้ปรึกษากับใครทั้งหมดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ ได้ตัดสินพระไทยออกจากเวียงวังขึ้นม้ากับนายขันม้าขันตกะกับนายช น, นะออกไปจากเวียงวังไปสู่ไปถึงข้ามไปถึงกรุงราชสืออีกแต่หลวงพ่อไม่เคยไปประเทศอินเดียนะแต่ทราบข่าวว่าจากกรุงกบินลพัทไปถึงแม่น้ําอโนมานั้นเป็นตั้งเกือบสองร้อยกว่ากิโลแสดงว่าม้าขันตกะตัวนั้น วิ่งตะพัดตะเพอตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงสว่างแปลว่าวิ่งขนานหนักว่า ง, งั้นอพอไปถึงท่านก็ได้ทรงผนวดคือได้บวชตัดพระโงรีด้วยพระแสงดาบคื อ, ค อ, คอดาบตัดผมจากนั้นก็ท่านก็ได้ผ้าบริขารมาท่านก็บวชเป็นสมณะคือนักบวชผ้าย้อมฝ้าผ้ากาสาวพัดจากนั้นท่านก็ให้ช น, นะกับม้ากันทกะกลับ กุ้งกับินละพัดแต่ม้าตอนนั้นเป็นม้าสแสนรู้ท่านรักม้าตอนนั้นรักเจ้าของมากพอวิ่งออกมาพอพ้นสายตาสิทตถตเท่า น, นั้นม้าก็อกแตกก็ตายนายชนะทมยังไงนายชนะก็เลยจะหอบเครื่องประดับเสื้อผ้าของพระ พ, พุทธองค์ที่เป็นคารวาะจากนั้นก็คงจะเดินมั้งถ้าว่าหลวงพ่อเกิดทุก น, น, นั้นสมัยนั้นก็คงจะถาม เออท่านช น, นะออท่านพระพุทธองค์กลับมานะท่านเดินนะท่านขี่ม้ากลับมาหาม้าที่ไหนขี่กลับบ้านบ้านตั้งสอง้อยกว่ากิโลหลวงพ่อก็จะถามแต่นีนหลวงพ่อเกิดมาไม่ทันทุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็ถือว่าจุดนั้นไม่สําคัญอีิจฉาจุดที่สําคัญเมื่อพระพุทธองค์บวชแล้วทําตัวอย่างไรเนี่ยจุดนั้นศึกษานะท่านเนี่ยชิตถะทําทตัวอย่างไรในเมื่อท่านบวชแล้วน่าแปลกใจจริงๆเพราะเหตุใดเพราะว่าชิตถะ ท่านอยู่ในเวียงวังท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขสมบูรณ์เหลือเกินแต่บัดนี้ท่านได้เสียสละตักออกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครรู้จักยาติโกโหติกาไม่มีใครรู้จักไปเป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาพัดถิน่นไม่มีใครรู้อยู่ในป่านั้นพระ อ, องค์ก็เมื่อไปอยู่ในป่าไปอยู่บวชแล้วพระ อ, องค์ไม่บินทบาทไม่ฉันอาหาร คล้ายๆกับมีความสุขฮะมันมันแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายนะคนทั้งหลายพอนี้จากบ้านไปเนี่ยจิตใจว้าวเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าสึ้<ม>อ่ะเออไอ้คือคนทั้งหลายนะแต่ศีรถะไม่เป็นอย่างนั้นพอท่านออกไปอยู่ตามลําพังท่านบวกว่าปอดโปรง่งเหมือนกับคนมีนี่หายจากนี่ไม่มีนี่อีกสินเหมือนคนมีโรคหายจากโรค เหมือนกับคนที่อยู่ในที่คุมขังหายจากที่คุมขังเป็นอิสระเป็นไทยโอ้โหทําไมมีความสุขถึงขนาดนี้นีอันนี้คือสิท ธ, ธิฐานที่ท่านไปอยู่ตามลําพังจากนั้นท่านเ อ, อยู่ด้วยปีติสุขของท่านถึงเจวันไม่ทานไม่สวยภรกยอาหารเลยนะจากนั้นวันที่8ดท่านก็ไปบิณฑบาตในกรุงราชสักขนะ์ท่านเข้าไปบิณฑบาตเพื่อไปขอเขา ผิดภิกษุเพราะงั้นจะอุ่มบาทเข้าไปเขาโอ้นับบวชมาขอข้าวขออาหารพวกเราเขาก็เตรียมอาหารไปใส่บาทรนะพอใส่ไปเขาเทลงไปในบาทเทลงไปอคงจะไม่มีถุงพราะติกไม่มีใบกล้วยพอเหมือนกับทุกวันนี้นะอคงจะเทเ อ, อาหารใส่บาทจากนั้นคิดถะท่านก็มองดูบาทเอออาหารขนาดนี้เพียงพอสําหรับอัตภาพของเราจากนั้นท่านก็เดินมาห เพลินมามามาถึงที่พักของท่านท่านก็มองดูบาทเท่นนนอกมองดูบาทอาหารในเวียงวังของท่านกับอาหารในบาทมันคนเรื่องกันเลยท่นี่เอออาหารในเวียงวังมีสำหรับกับข้าวเอออันนั้นถ้วยหนึ่งอันนั้นเอ่อจานหนึ่งเอ่อช้อนเงินช้อนทองเออมีรครบประงมดนตรีให้ฟังอีกต่างหากเออแต่บัดนี้ท่านเห็นอาหารอยู่ในบาท คลกลอนกลเปกันไปหมดไม่รู้ว่าจับหวานไม่รู้จับข่าวมาอยู่ในบัตรศีรถะท่านก็มองดูมองดูท่านโอ้อันนี้เราจะทานได้ลเลยนี่เอ่ใครเขาว่าท้อใจเหมือนกันเพราเห็นอาหารไม่เคยทานแต่บัตรนั้นท่านก็สอนสอนท่านเองนะบอกว่าศีรถะบัตรนี้เราเข้ามาบวชเออเป็นนัก บ, บวชแล้วนะไม่ใช่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเหมือนแต่ก่อนนะเราไปขอเขานะเขาให้อย่างไร เขากินอย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นในเมื่อเขาให้มาแล้วเราก็กินอย่างที่เขาให้เพราะฉนั้นเราจะไปเลือกว่าอาหารอย่างนี้ข้าพเจ้าพอใจอาหารอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่พอใจจะไปพูดอย่างนั้นได้อยังไกง น, นี่แหละสีต ถ, ถะท่านสอนท่านเองเลยท่านก็คงจะหลับหูหลับตาฉันนะหลวงพ่อว่านะวันแรกนะ่ะพอฉันเข้าไปจะเต็มอิมออ่มเพราะอิ่มเสร็จแล้วก็ล้างบาทอะไรเสร็จเรียบร้อยก็แปลว่าอันแปลว่าเจ้าไป จากนั้นก็ค้นคว้าศึกษาอะไรสิเออศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยเรื่อยเื่อยลองผิดลองถูกกลองถูกลองผิดลองผิดลองถู ก, อถ ก, อถ ก, อถกเอจนอดพักกายหารสี่สิบเก้าวันที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่อนไปพูดไปแล้วนั้นนางชุชาดาเอาข้าวมัตุปายาตถวายนั่นแหละนั่นนั่นแหละคือพระพุทธ อ, อ, องค์ได้ทดลองทดสอบพระ อ, องค์เองถึงขนาดนั้นแหะเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่อันนั้นก็คือการทดลองเหมือนกับเราทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหะแต่นี้พรองค์ทดลองทางด้านจิตใจจากนั้นวันเดือนหกเพนเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันที่แปดที่ผ่านมาเดือนพฤษภาในวันนี้เป็นวันที่สิบสามนะวันที่สิบสามวันนี้วันที่แปดที่ผ่านมาพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ธรรมในโคลนต้นโพวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพน นั่นแหะวันนั้นเป็นวันที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเพออราะเหตุใดเพราะว่าสูตรสําเร็จประสบความสําเร็จวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรู้รมในวันนั้นเพระพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เรื่องอะไรอันนี้พวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายควรจะศึกษาอย่างยิ่งควรจะเอาจุดนี้มาวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรื่องอะไรในวันนั้นพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าในวันในวันหกเดือนหกเพนนนั้น พบพระองค์นั่งอยู่ตามลําพัง เ, เมื่อรอยถาดไปตอนเช้าแล้วอย่างที่หลวงปู่ท่อนได้พูดว่ารอยถาดนั่นลอยถาดทองคํานางชุตชาดาจากนั้นพระองค์ก็นั่งอยู่ตามลําพังพอถึงตอนค่ำนายโสธิยะนํายาคาแปดกำมือเดินผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังก็ น, น้อมเอายาคามาถวายท่านคล้ายๆว่าเออสิทธัตถะท่านนั่งอยู่ คโคลนต้นโพมันรากตะปุมตะปังปั่มคงจะนั่งไม่สะดวกเน่พระองค์ชิตโสติยะเลนเอายาคาแปดกำมือม้อพหยเนี่ยทิศฐานได้ยาคาแปดกำมือก็กลี่ลงที่คโคนต้นโพให้เป็นอาสนะจากนั้นเมื่อเป็นได้อาสนะที่นั่งแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนอาสนะนั่งอาสนะในช่วงนั้นในต ำ, ตำรับตาราพระไตรปิฎกท่านบอกว่า พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงพระอาทิตย์ยังค่อยๆว่าเกือบจะตกดินแต่ยังไม่ตกดินเนี่ยจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไป น, นั่งบนย่างคาที่เป็นอาสนานั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกทําไมพระองค์จึงกําหนดลมหายใจทั้งองคแต่ก่อนไม่กําหนดเหรอพระพระองค์ ท่านนึกย้อนหลังสมัยท่านเป็นกุ ม, มารที่ไปแรกนาขวัญกับพระบิดาที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นว่าท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนั้นกำลังจะเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นที่กำหนดให้เรื่องของเราเนี่ยนะพระองค์ก็ได้น้อมจิตลํำลึกถึงสมัยเป็นกุ ม, มารจากนั้นพระองค์ก็ใช้แนวความคิดนั้นเข้ามาใช้ในขณะนั้นเพราะว่าสมัยเป็นกุ ม, มารพระองค์ นั่งภาวนาในยุคนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตของพระองค์ได้รับความสงบสงบร่มเย็นเป็นสุขมากจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทําอีกเลยเพราะมีภาระธุระมากอย่างที่หลวงพ่อได้กลาก่าวแต่บัดนี้เราควรจะนำธรรมคําบริกรรมนั้นมาใช้กับตนเองในขณะนี้จากนั้นพระองค์ก็ได้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นยาวก็รู้ว่าหายใจออก สั้นยาวแต่พุทธองค์ให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกกําหนดหลมเท่านั้นไม่ได้ตามลมเข้าไปในท้องและก็ไม่ได้ตามลมออกมาให้มีสติในลมหายใจเข้าออกจากการพอปฐมยามคือคงจะพระอาทิตย์กาลังจะตกดินอัจฉรงกําลังจะมืดจิตของพระองค์ก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิด เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัทสนะเกิดฌานจะว่าอุปเเพในวาสานุสติยานเกิดยานทีไหนพอเกิดยานขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดวิชาขึ้นมาพจนโอกรน้อมจิตล้ำลึกถึงอดีตชาติเมื่อวานนี้มีไหมเมื่อวานทําอะไรวันก่อนทําอะไรอาทิตย์ก่อนทําอะไรเดือนก่อนทําอะไรปีก่อนทําอะไรย้อนย้อนไปจนถึงชาติที่แล้วเนี่ยมาจากไหนจากนั้นก็ย้อนไปอีกจนถึงอดีตชาติ หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาตินี่แหละพระพุทธองค์ได้ญาณาทัสสน์เกี่ยวกปุกเพในวาสารนสติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉนั้นคณะสัตยาญาติโยมทุกทุท่านสรุปได้เลยว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนตัดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใดเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้ธรรมในวันนั้น พระองค์รู้ได้ดูพระองค์เองว่าตายแล้วไม่สุขปุเพนวาสารุสติญาณตัวไหนที่นำมาเกิดนั้นพระองค์รู้จกักเลยเทีนี้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็ได้ตต่สรู้ธรรมอีกข้อที่สองตูตตปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระองค์ก็รู้อีกพระพระองค์บอก ท่านตรัสและท่านบอกไว้ว่าดวงวิญญาณที่มาเกิดมาตายเกิดตายแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลานั้นยิ่งกว่าหาฝนหาฝนมันตกในท้องฟ้าเพราะดวงวิญญาณพระองค์เหมือนกับมองดูท่านรู้หมดทั่วท่านเกิดยานทัศนะในละเอียดแล้วอันนี้ก็คือตุตูตตปปตาตยาพอจวนจะสว่างพระองค์ก็ได้ตดรัสรู้ธรรมอีกข้อหนึ่งเย่างอาสาวกยญาญายานอย่างรู้ว่า พอพระองค์ตัดกิเลสแล้วราคะโทสะโมหะของพระองค์หมดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะเหตุไพพตรพระองค์ได้พิจารณาอตอนจวนจะสว่างนั้น พ, พระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณงจนถึงโสกภริเทวทุกขโทมณสุอิปายาตการร้องให้ พิไรรำพันโศกเศร้าโศกาดูลมาจากไหนพระองค์ก็ ย, ย้อนย้อนย้อนย้อนไปจนไปถึงตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เ อ, อเพราะฉะนั้นวิญญาณเกิดมาจากตัวไม่รู้บัดนี้พระองค์รู้แล้วว่าวิญญาณนี้มาจากตัวไม่รู้บัดนี้พระองค์ใช้ตปรธรรมคือศินสมาธิปัญญาของพระองค์เข้ามากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจนชำระดจิเลสใจขององค์ จิต ใ, ใจเขาปองค์จึงบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ตัดสรุธธรรมในวันเดือนหกเพนจวนจะสว่างเพราะนั้นธรรมะของพระไตรจารว่าอันดับแรกเขาบอกปุเพในวาสานุจติยานละเล็ชาติทุนหลังได้ตอนเที่ยงคืนจุตูปปาตยานการจุติของสัรพสัตว์จวนจะสว่างอาสาวะขยะยานยานอย่างรู้ว่าพระองค์ได้ตัดสรุ้ธรรมพระองค์ได้ใช้แต่ประธรรมคือสีนสมาธิปัญญากันกรองไตรตองเหมือนกับ พวกเราทำน้ำมันมะพร้าวอย่างนั้นน้ำมันมะพร้าวเราทำยังไงเราใช้กระทะเราใช้หม้อเราขูดขุยมะพร้าวมาปั้นกะทิออกมาแล้วก็ใส่ในกระทะจากนั้นก็ต้มเคี่ยวจากนั้นน้ำมันมะพร้าวมันก็ลอยขึ้นมาข้างบนน้ำมันมะพร้าวกับกะทิมะพร้าวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะมันออกออกมาจากขุยมะพร้าวแล้วออกมาจากน้ำกะทิมะพร้าวแล้วเป็นน้ามันมะพร้าวแล้ว เอาน้ำมันมะพร้าวมาขยาำกับขุยมะพร้าวให้มันเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วอันนี้ก็เหมือนกันใจของพระองค์ออกมาจากใจที่มีกิเลสกิเลสของพระองค์หลุดออกจากพระไทยของพระองค์แล้วใจของพระองค์เป็นบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้พระองค์มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วท่านวาันิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังประมังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์ทำไมศูนแล้วจึงสุกสุกแล้วจึงศูนย์พวกเราก็มาถกเถียงกันอีกถึงเนี่ยพ<ม> อ, อ, อยเห็นอะไรพอดถ้ามันศูนแล้วจะสุกได้ยังไงตามไม่จริงศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดมันมันศูนย์เหมือนกับมเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดขนโนอย่างนั้นอ่ะเราเอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปหมกไฟซะให้มันความร้อนเ อ, อีแล้วเชื้อมันไม่มี มันไม่เกิดอีกแล้วเม็ดเข้าเม็ดนั้นะมันหมดเชื้อแต่มันสูญไหมมันไม่สูญเพราะเหตุไรเพราะว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เกิดนั้นมันสูญแล้วสูญพันแล้ ว, ลวฉันจึงหว่านนิพพานางังอรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเชื้อที่จะทําให้มารบกวนใจลึปไทยของพระองค์นั้นไม่มีแล้วใจของพระองค์บริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นจาก สิ่งกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเพราะนั่นใจขององค์จึงบริสุทธิ์พระองค์รู้ด้วยพระองค์เองในวันเดือนหกเพนน้นนี่แหละทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั้นเออเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านได้มาเกิดได้มาพบพระพุทธศาสนา อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวงปูมั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นตีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอย่างท่านพ่อเฟื่องของเราอย่างเนี้ยเอออย่างหลวงปู่แจ้าอย่างเนี้ยเออเมื่อท่านล่วงลับดับคันไปอธิธาต์ของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น คำว่ากลายเป็นพระาธาตุนี้ถ้าว่าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นกระดูกที่กลายเป็นพระาธาตุคือพระอระหันต์เท่านั้นเพราะนั้นพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราไม่เสื่อเสียชาติเสียชาติเกิดเพราะเราได้เกิดมาก็ยังพบพระอระหันต์ยังเห็นได้เห็นพระอระหันต์เพราะว่า ยังมีผู้ปฏิบัติยังอยู่มีผู้ปฏิบัติยังปฏิบัติยังคงเส้นเพ่มคงเส้นคงวาตราบใดโลกไปว่างจากพระอารหันต์แต่ถ้าว่าพวกผู้ใดก็ตามขี้เกียจนะมีแต่กินและนอนก่อนเล่นนินขี้เกียจภาวนาขี้เกียจปฏิบัติเศรษฐีไม่มีหรอ ก, นกในโลกเนี่ยเ พ, พราะอะแรเพราะโตขี้เกียจหาเงินแต่ละบาทมันยากเหเกินแต่ผู้ที่เขาเป็นเศรษฐีนั้นเขาจาหัวเราะได้เพราะฉะนั้น ธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าว่าผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะรู้แก้งเห็นจริงมรรคผลนิพพานท่านบอกว่าคงเส้นโคงวาเหมือนกับไฟยุคนั้นสมัยนี้ร้อนเหมือนกันไฟยุคนั้นร้อนไฟยุคนี้ก็ร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำธรรมะทำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่พระพุทธองค์ได้ ออกบวชไปบำเพ็ญอยู่ในป่าดงฟงไพยถึง6ปี เ, เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นพระองค์ก็ได้นำทมคำสั่งสอนของพระองค์มาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติจากนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพ่อเฟื่องท่านมาอยู่ในถินนี้ท่านก็ได้นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์หลวงปู่มันมาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้พวกลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละเป็นบุญเป็นคุณของพวกเราอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพระบารีขึ้นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันเอตัมมังคารมุตตมัง บูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างหลวงพ่อท่านพ่อเฟื่องของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่สมควรอย่างยิ่งสานุสิทธิ์คณะัทธายาิโยมควรจะเคารพ บ, บูชาพระคุณของท่านอย่างยิ่งเพราะท่านได้มาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนในถินนี้ให้พวกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จัก สิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดหลวงท่านพ่อของเราได้แนะนำได้สั่งสอนให้แก่พวกเรารู้จักสิ่งดีให้พวกเราได้เลือกเฟ้นเป็นคนดีเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งตนไว้ชอบพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีหลวงพ่อว่านะปฏิรูประเทศสวารโซจ่าเกิดในประเทศอันสมควร ปเุเพจักตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้อัตตะสัมมาปณิทิเขาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งตนไว้ชอบถ้าว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดมาแล้วก็ลืมตนลืมตัวตายแล้วสูญเกิดมาชาติเดียวเท่า น, นี้ละ่ะเอะถ้าพวกเราคิดได้อย่างนั้นทําได้อย่างนั้นแล้วพวกเราไม่ประกอบภุณามความดีพวกเราเสียชาติเกิดนะหลวงพ่อว่านะ ในพลอยนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาควรจะสั่งสมคุณงามความดียึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินเออพระพุทธเจ้าพาดําเนินยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยท่านพาพิสูจน์อย่างไรนะเออหลวงพ่อย้อนไปถึงจุดนั้นหู่พุทธองค์ที่สูจนยอย่างไรท่านนั่งขัดสมาธิไม่ใช่เหรอที่หลวงพ่อได้กล่าวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเขา้า <LE AS URE> หายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นยาวให้มีสติจากนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วท่านรู้ได้ว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถมันจะไปได้เพราะคนอาศัยคนขับคนขับไม่มีรถเก็ไปไม่ได้ เหมือนต่วิญญาณเพราะนั้นสองอย่างนีอาศัยกันพระองค์รู้ไปศึกษารู้ด้วยพระองค์เองว่านี่แหละคนขับรถนี่สำคัญกว่าท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจท่านเพ่งมองท่านกาหนดท่านรู้ว่า เรื่องนามธรรมสาคัญกว่าเรื่อง ร, ปรูปธรรมสรุปแล้วได้อย่างนั้นนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมคือจิตใจเนี่ยสําคัญกว่า ร, ปรูปธรรมเพราะฉนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังว่าพระพุทธเจ้านี่เน้นหนักจุดไหนท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมคื อ, อ, อ, อ, อหัวใจเนี่ยเป็นหัวใจเป็นใหญ่เป็นใจเป็นหัวหน้าถ้าหัวหน้าได้รับการอบรมในทางที่ดีในทางที่ถูกต้อง ไม่มีใจเป็นผู้มีศีลมีธรรมใจเป็นผู้มีศีลมีธรรมใจมีเหตุมีผลใจมีหลักธรรมะในจิตเจ็ดนี้ในจิตใ น, ในใจแล้วใจเอเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องต่างๆแล้วนั่นแหละเท่นี่การจะกระทําสิ่งไหนออกไปก็เป็นเหตุเป็นผลก็ถูกต้องการที่จะพูดสิ่งไหนออกไปก็ถูกต้องเพราะเหตุอะไรเพราะหัวหน้าดี แต่ถ้าหัวหน้าเกเลนะได้รับการอบรมมาไม่ดีหัวหน้าเป็นนักเลงหัวไม้ไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญไม่เชื่อนรกสวรรค์มีหัวหน้าไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วการกระทำออกไปทางออ ก, กายก็กระทำได้ทุกอย่างไม่เขาล็อพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตายแล้วศูนย์จะไปทำให้มันในทุกอย่างทำไม่สิ่งไหนที่จะทาตามอาเภอใจก็ทาเลย เขเห็นอะไรก็ตายแล้วมันศูนย์ตายแล้วไม่เกิดอีกนรกสวรรค์ไม่มีบาบุญคุณโทษไม่มีจะไปทําปีนอภพอบพร้อมทํำไม่เออจะทําอะไรก็ทําเสร็ิอันนี้คือคนออคิดว่าตายแล้วศูนย์เจ็หลักทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าไม่ศูนย์นะถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้เออก็ให้ปฏิบัติเอแนวทางนี้ทดลองดูสิทําจิตให้สงบดูสิในเมื่อจิตสงบแล้ว อย่างหลวงปู่ท่อนท่านว่าท่านพวกคนทั้งหลายไปในสถ า, านที่ปะริณิพานเมืองกุสินาราเขาเดินรอบเวียนประักษศินยุธิปีโสภาคะวาสวากาโตสุปติปนกแต่หลวงปู่ท่อนขาไม่ดีท่านเป็นนั่งสมาธิทำไมจิตของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจนมีนิมิตขึ้นมาพูดขึ้นมาในใจของท่านว่านี่แหละคือความถูกต้องอย่างที่ท่านได้พูดเมื่อกี้เนี่ย นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ได้บอกว่าตัดไปว่านักถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเคยทํำไหมจิตสงบเป็นหนึ่งมีความสุขอย่างยิ่งอย่างหลวงปู่ท่อนได้พูดใครๆได้เจออย่างนั้นแล้วก็ไม่แพ้กัน อ, องค์ไหนได้เจออย่างนั้นไม่แพ้กันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ท่านได้รู้ก่อนพวกเราแล้วท่าน พูดออกมาเลยว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเฮ่เพราะฉนั้นพวกเราเห็นแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงเดี๋ยวทะเลาะคนนั้นเดี๋ยวทะเลาะคนนี้เนีเดี๋ยวกับปวดหัวเดี๋ยวกับคนที่สุดเอาตัวไม่อยู่คนนั้นนะ่ะส่งเข้าโรงพยาบาลศีรษะธรรามหาโพไปเรื่อยแล้วงันเห็นแต่ความวุ่นวายนะแต่ถ้าพวกเรานัตติสันติปรังสุขขังพวกเราเคยเจอไหม ถ้าเจอจุดนี้แล้วพวกเราจะจําไม่ลืมกว่าฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะหลวงพ่อได้ให้ธรรมะในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาแล้วก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละอข้างหน้าหลวงพ่อก็เหมือนกันไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันพูดให้เตือนให้ฟังว่าชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนออีกสักวันหนึ่งข้างหน้านี่แหละ ไม่รู้ว่าจะวันไหนพวกเราเกิดมาเนะี่ยยมบัทูดเขาให้วีซ่ามาแล้วนะอเขาเขียนวีซ่าไว้แล้วรอไว้แล้ว <S <S 1> <S 1> แต่ยมบัทูดเขาเอ<ๆ>เขาช้าหน่อยว่างั้นเถอบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าบางทีเขาคว้าเล่มไหนได้มา ก, ก็ส่งมาให้อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะได้ได้รับวีซ่าของยมบัทูดนะพวกเราก็คงจะเดินทางกลับต่างประเทศอยาติพี่น้องก็ส่งขึ้นเมนว่างั้นเถอะเผาเลยแต่เนี่อ พวกเราก็หายเงียบไม่กลับมาอีกเลยไปต่างประเทศแล้วแต่ก่อนที่จะไปต่างประเทศนั้นพวกเราปุ่นใจเลยอย่างเราได้เตรียมพร้อมเลยอย่างบุญกุศลที่เราได้สั่งสมคุณงามความดีนะมีพร้อมเลยอย่งถ้าเรายังไม่พร้อมนะให้เตรียมไว้นะตายแล้วไม่สูญบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วถ้าพวกเราอยากจะพิสูจน์ไปอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์อย่างไร ท่านจึงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนที่ท่านมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อได้แสดงธรรมให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตร์ไต ร, รพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบความสุขสมหวัง ดังปราถนาทุกประการเทิน